ครั้งนึงนะก็วันนี้จะพูดในเรื่องของคุณสมบัติหรือคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยได้ตรัสสอนเอาไว้นะก่อนอื่นกลันนิดนึงในเรื่องของอความสำคัญของพุทธวจนะนะหรือพุทธวัตรหรือพุทธพจน์ คําคที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีความสำคัญอย่างไรเนื่องจากเป็นพุทธประสงค์ของพระองค์ที่ต้องการให้ <c oughs> สาวกเนียมีการสะดับกับฟังแล้วก็ศึกษาจากคําพูดของท่านเหมือนกับว่าเราอยู่ในกล้งพุทธกาลเนี่ยถ้าเราจะเข้ามาศึกษาในพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินได้ฟังแต่คําที่พระพุทธองค์ท่าน ท่านบอกสอนเอาไว้นะท่านตัดว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุที่สุตตันตะเหล่าใดที่คนแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกลับตอนมีสอนสละสลวยมีเพียรชนะอนวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นเรื่องก่าวของสาวกภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปสนใจในคำเหล่านั้นนะแต่กลับไม่สนใจคำของกถาคดนะอันนี้จะเป็นเหตุให้พระสัธรรมเนี่ย ค่อยๆ อ, อันตรธานเสื่อมสูญไปนะเพราะตัวผู้นําไม่สนใจแนละการถ่ายทอดบอกสอนออกไปมันก็จะค่อยๆเลือนลางหายไปก็จะมีแต่คําของคนใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นท่านก็จะอุปมาเปรียบเหมือนกับกลองกรองิื่อของพวกกษัตริย์ทีต่ตีตีไปเรื่อยๆตัวกลองก็แตกแต่ก็เอาไม้ใหม่ทําเป็นลิ่มตีเสริมลงไปในรอยแตกตีตีปีก็แตกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ตีเสริมลงไปอีก แตกอีกก็ทำอย่างนี้อีกท่านก็บอกก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆณนะวันหนึ่งเนื้อไม้เดิมก็หมดสิ้นไปเหลือแต่เนื้อไม้ใหม่ท่านก็บอกฉันใดก็ฉันนั้นนี่เป็นความอันตรธานของคำของตถาคตในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตะนั้นท่านก็เห็นเหตุเสริมแล้วละ่ะว่า <c oughs> คำของท่านจะเสริมไปด้วยวิธีใดท่านก็ป้องกันเอาไว้ด้วยการสอนภิกษุว่า สุตันตะเราใดนะที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละเนี่ยว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุตันตะเหล่ามากกล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยวฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะนั้นท่านก็พูดกลับกันในเรื่องของสุตันตะของคนเราอื่นที่แต่งขึ้นใหม่นะถึงแม้จะเป็นคําของสาวกคตตามนะแต่ตอนนี้เราก็ดูเอ๊ะทำไม คำสงสาวกไม่ดีอย่างเราก็มาเจอที่พระองค์ได้บอกอีกว่าความแตกต่างของความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยกับความเป็นสาวกเนี่ยต่างกันอย่างไรนะในเมื่อได้วิมุติเสมอกันนะที่เสมอกันที่วิมุติแตกต่างกันที่ทางโลกเนี่ยในทางโลกเนี่ยพระเจ้าเป็นมรคนอยู่นะเป็นผู้รู้มร ก, ก่อนเป็นมรขวิถูเป็นผู้รู้แจ้งในมรและเป็นมัรคโกวิทูเป็นผู้ฉลาดในมรส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้ พระองค์บอกว่าถึงจะเป็นพระรหันต์ก็ตามที่เลิ่ทางปัญญาก็ตามเป็นเพียงมักคานุขาผู้เดินตามมักเฉยๆเราฟังรู้ล้ลวอ๋อทำไมคําของสาวกท่านไม่ให้ไปสนใจเพราะว่าคําของท่านเนี่ยสาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เดินตามมักเฉยๆไม่ได้คิดมากขึ้นเองนะแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่รู้มักก่อนฉลาดในมักเชี่ยวชาญในมักแตกฉานในมักมากที่สุดแต่เราก็ยังยังไม่แจ่มกระจ่างนะก็ไปเจย อ, อว่า พระุทธเจ้าบอกว่าเวลาท่านจะแสดงธรรมเนี่ยท่านจะไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเปรียบเหมือนราชาสีจะแต่ครุบสัตว์เนี่ยทีเดียวไม่พลาดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมทุกครั้งท่านกำหนดสมาธิทุกครั้งไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวพยางค์เดียวนะซึ่งสาวกทำไม่ได้นะีเพราะฉะนั้นนี่เป็นขีดจำกัดของระดับสาวกถึงจะเป็นพาาระอรหันต์ก็ตามนะนั้นการการพูดของระดับสาวกก็จะมีข้ขอข้อผิดไปเลยแต่แต่ทำยังไงเมื่อรู้ตรงนี้ สาวกถ้าออกความเห็นด้านธรรมะเข้ามาเขาก็จะไปถามผู้เจ้าถ้าผู้เจ้ารับรองทุกคนก็จะทรงจำเสมือนหนึ่งคำของผู้เจ้าเราไปเจออีกผู้เจ้าบอกสาวกกับเรากล่าวตรงกันเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การถ่ายทอดออกไปผิดทุกคนก็จะถ่ายทอดคำผู้เจ้าอย่างนี้เพราะฉะ น, นั้นการถ่ายทอดก็จะไม่มีข้อผิดพลาด น, นั้นก็ต้องมีการทรงจำพุทธวจนะผู้เจ้าถึงบอกปิสุให้คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัย ก็คือทรงจำสิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้ให้ดีท่านบอกบุตเข้ามาแล้วใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามแต่ให้เราตั้งใจว่าเราจะศึกษาอเราก็เริ่มเหตุผลเห็นเหตุผลแล้วเราก็เอท่านแปลผิดหรือเปล่านะอืเรวก็เพราะอันนี้ก็คืออที่ที่ท่านพุทธทาสแปลเอาไว้ซึ่งแปลมาจากบาลีเดิมโดยตรงแต่เราก็ไปเทียบกับมหมากุตรมหมาจุฬา่าเขาแปลอย่างนี้หรือเปล่าเอาแปลตรงกันหมดอืมคํานี้ไม่ผิด แต่เมื่อไม่ผิดแล้วมีเหตุผลประกอบอะไรนะก็เหตุผลประกอบในลักษณะนี้นะความแตกต่างของความเป็นสัมมาสัมพุทธะพระรหัสที่เลื่ทางปัญญาแตกต่างกันกันมากนะไกลกันมากทีเดียวแล้วก็ความสามารถในการแสดงธรรมผู้เจ้าจะกําหนดสมาธิไม่ให้พราดแม้นนแต่คําเดียวแล้วก็ผู้เจ้าก็บอกว่าอาสาว ก, กับเราเนี่ยกล่าวตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าใครพูด ผิดออกไปจากที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ก็จะมีคนนําไปถามพระเจ้าเหมือนกับเช่นพระมหากัจารณเนี่ยอธิบายคําที่พระเจ้าพูดไว้สัส้นๆว่าวิญญาณไม่ฟุ้งไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในเมื่ออธิบายแล้วอย่างยุตยาว <c oughs> ท่านก็บอกว่าเมื่ อ, อท่านก็บอกภิกษุอื่นว่าถ้าท่านหวังอยู่ก็ให้พึงนําคำของท่านาไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง บอกอย่างไรให้ทรงจําอย่างนั้นไว้ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทรงจําคําของตัวเองนะอืมให้ไปถามพระเจ้าวันนั้นตัวเองเนี่ยพูดออกมาเกินจากที่พระเจ้าพูดก็ไม่ได้ยึดถือว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นสิ่งถูกต้องเด่นนะดั้งที่ท่านก็เป็นผลาญ น, นะก็ให้ไปถามพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบว่าเออกัจจายรณเป็นผู้มีปัญญามากถ้าเราอธิบายจะอธิบายอย่างนี้เหมือนกันพระเจ้าก็จะรับรองเป็นข่าวคลาดไป หรือบางท่านบางบางครั้งถ้านอาจจะเสริมไปเออถ้าอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้นะเช่นถามภาษาลิบุตร <c> ภ <oughs> าสาลิบุตรเธอเห็นเวทนาอย่างไงบ้างนะถึงจะถอนอุปทานในเวทนาได้ภาษาลิบุตรก็อธิบายว่าเวทนามีสุขกุอุบเบขาก็พยายามเห็นว่าไม่เที่ยงความเกิดความดับของมันนะแล้วก็จะถอนอุปทานในเวทนาพระเจ้าก็บอกอ่ะภาษาลิบุตรที่เธอพูด ก, ก็ถูกอยู่ แต่สั้นๆว่าอย่างนี้นะครูชาก็จะเสริมไปนะบอกสาริบุตรนะเวทนาใดๆเวทนาทั้งหมดนั้นประชุมลงในความทุกข์นี่ครูชาพูดสั้นนิดเกียวกระชับย่อโดยย่อว่าอย่างนี้สาริบุตร น, นั้นเวทนาทุกเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขทุกเบขาทั้งหมดเดินไปสู่ความดับหมดนะทุกนี่หมายถึงทุกขังคือความดับ ความสุขก็เดินไปสู่ความดับความทุกข์ก็เดินไปสู่ความดับอุเบกขาก็เดินไปสู่ความดับฉะนั้นคําพูดของผู้เจ้าจึงจึงเลิศที่สุดเราจึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความเห็นตรงเนี้เข้าไปสู่สังคมอยากให้สังคมเนี่ยใช้คําพูดของผู้เจ้าให้มากเพราะคําพูดของผู้เจ้าเนี่ยเท่าที่อาตมาอืมเอกษาดูสามารถที่จะ ตอบปัญหาต่างๆในสังคมได้มากมายเลยนะแล้วก็มันเป็นคําตอบที่มาตรฐานยุติเพราะตัวพระพุทธเจ้าเองท่านก็ยืนยันว่าท่านเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องทั้งทางโลกทางธรรมนะตัวท่านท่านก็ยืนยันอีกว่าท่านเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดนะไม่มีใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าในเรื่องการกําหนดบทพัญชนะการอัตตาที่ปลายยกอุปมาภูมิใจอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเก่งที่สุดภายใต้ความถูกต้องของธรรมชาติ คนที่จะกลั่นออกมาเป็นบทเป็นชนะเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจผู้เจ้าจะเลิดที่สุดนั้นนี่ให้เห็นความสำคัญในตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเอาสิ่งที่พระองค์ได้บอกสอนได้ดัดเอาไว้เนี่ยเอามาถ่ายทอดกันและก่อนที่ผู้เจ้าจะไปนิพพานผู้เจ้าก็ยังบอกอีกว่าคำของท่านเนี่ยให้ใช้เป็นศาสดาต่อไป ซึ่งท่านไม่ได้ตั้งใคขึ้นมาเป็นศาสดานะเพราะท่านรู้แล้วว่าระดับสาวกเนี่ยบารมีไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงท่านนะไกลกันมากนะท่านบอกอนน์พวกเธออาจมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่่งลับไปแล้วนะศาสดาของเราเนี่ยไม่มีบอกอนน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นทําก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราเพราะฉะนั้นให้เอาคําที่ออกจากปากของท่านเนี่ย เป็นศาสดาแทนเพราะนั้นถ้าเราสงสัยอะไรก็ปุ๊บไปเปิดดูนะรมของท่า น, นวันนั้นผู้ที่เห็นความสำคัญตรงนี้นะอาตมาก็เห็นว่ามีท่านพุทธทาสเ น, นี่ยนะที่เห็นความสำคัญและก็ะสละแรงกายแรงใจใช้เวลาทำตรงนี้ถึง22ปีน ะ, ะเพื่อที่จะรวบรวมกคำผู้เจ้าออกมารวบรวมเพื่อให้เราศึกษาง่าย งนถ้าเราไปเปิดในพ <c oughs> ระไตรปิฎกชุดใหญ่มันจะปะกลไปด้วยคำของอธิป ฐ, ฐาซึ่งกว่าจะเจอคำพระเจ้าจริงๆก็พอดีหลายชั่วโมงนะต้องแยกแยะเป็นแยกแยะเก่งแต่พอท่านรวบรวมมาแล้ว <c oughs> เปิดไปแต่และหน้าเป็นคำพระเจ้าทั้งหมดมันก็ง่ายนะเหมือนเราเหมือนเราอ่านหนังสือครูบาอาจารย์นะั่นแหละเปิดไปก็คือคำที่เราต้องการจะสนใจแต่นี่คือเปิดไปคือคำพระเจ้าทั้งหมดนะเราจะศึกษาได้สะดวก เอ่อทีนี้ต่อไปเป็น เ, เรื่องที่ที่ท่านพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันทําไมเอาเรื่องนี้มามาพูดเพราะคิดว่า <c oughs> เป็นเรื่องที่เราเราควรจะรู้และเราควรจะอฝึกหัดปฏิบัติกายวาจาใจของเราเนี่ยให้เข้าไปถึงจุดตรงนี้เพราะมันเป็นเป็นด่านแรกนะ เป็นลำดับแรกที่เราควรจะได้ควรจะรู้ควรจะผ่านมันนะและมาตรฐานของใครดีที่สุดก็คือมาตรฐานที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นะแน่นอนความเป็นพระโสดาบันบางทีเราก็มองวอืมมันไกลไปหรือว่าเอื้อมไม่ถึงหรืออะไรแต่เรามาดูคุณสมบัติมันหรือยังถ้าดูคุณสมบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ไกลเกินเอื้อมของพวกเรานะคุณสมบัติของพระโสดาบันพรนะเจ้าพูดไว้หลายไตยย ในยะหนึ่งก็คื อ, อเรื่องของคุณธรรมสองประการผู้เจ้าคุยกับภาษาลิบุตรบอกภารีลบุตรเธอรู้ไหมคารวาที่นั่งอยู่เนี่ยคนไหนเป็นโสตบันภาษาริบุตรก็ไม่ได้ตอบเลิกทางบรรญายยังไม่กล้าตอบเลยนะถูนให้ผู้เจ้าตอบผู <c oughs> ้เจ้าก็บอกภารีลบุตรให้ดูอย่างนี้เขามีคุณธรรมสองประการไหมประการแรกหนึ่งเขาพ้นภัยเวรห้าประการหรือ ย, อยังศินหน้า ภายในห้าประการอย่างที่สองพระเจ้าบอกว่าเขามีคุณธรรมสี่ประการไหมก็คือตัวโศตาปัฏยังคัตสี่เริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนะพระพุทธหนึ่งพระธรรมสองพระสงฆ์สามอย่างไม่หวั่นไหวสมีสิลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยเป็นสิลที่เป็นไทยจากตัณหาไม่ถูกครอบงาําโดยทิฏฐิอย่างนี้ก็ย้อนกลับไปที่ตัวสินหให้ ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยตัวไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยตรงนี้ก็อสินห้าสินห้าเราเข้าใจพอสมควรแล้วนะคงจะเคยทํากันมาบ้างส่วนตัวโสตาปัฏยังคัสสีเนี่ยดูยังไงเริ่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวนั่นก็คือย้อนไปที่การเชื่อมั่นในกรรมการกระทํานั่นเองมันก็จะโยงไปที่ผู้เจ้าท่านตรัสเรื่องวัตโกรตัวละมงคล มงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยพระุทธเจ้าบอกว่าโสดาบัญจะไม่กระทําโดยความเป็นสาระตรงนี้มันก็เชื่อมกันพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในอีกที่หนึ่งเกี่ยวกับอุณธรรมรโสตบัญนะเรื่องวัตโกตุลมงคลคือข้อประพฤติป ฏ, ปฏิบัติทางกายทางวาจาตามแบบของสมสมณพราหมณ์เราอื่นโสาบัญจะไม่กระทําโดยความเป็นสาระ <c oughs> ไม่หวังสาระการกระทําทางกายทางวาจา ในแบบของสมรภูมิเหล่าอื่นนั้นว่ามันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกโสดาบันไม่เชื่อโสดาบันเชื่อในศินสมาธิปัญญามั่นคงในสินสมาธิปัญญาหรือมัคคีองแปดคือมัคคีองแปดเนี่ยพูดย่อดโดย3าคือสินสมาธิปัญญาถ้าพูดย่อดโดยสองคือสมถากับวิปัสสนาเพราะนั้นถ้าพูดเป็นมัคคีองแปดมันจะเริ่มจากปัญญาศินแล้วก็สมาธิถ้าพูดถ้าพูเา้เจ้าพูดย่อเป็นสองก็จะพูดสมถาวิปัสสนานี่จะาสมาธิมาก่อนแล้วก็เป็นปัญญานะ แต่ถ้าพูดย่อเป็นสามก็จะเริ่มจากสิลก่อนสินสมาธิปัญญานีแล้วแต่เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้ในตัวสินสมาธิปัญญาเนี่ยนะได้หมดความไม่หวั่นไหวตรงเนี้ยนะก็คือเราเรามีความเชื่อมั่นในกรรมเชื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยนะอ่าเป็นเพราะการกระทําของเรานะไม่ใช่การกระทําของคนนั้นคนนี้นะสิ่งนั้นสิ่งนี้มามาดนบันดาล น, นะหรือไม่เชื่อว่าเนี่ยถ้า ไปกระทําทางกายทางวาจาแบบนี้แล้วเนี่ยนะทุกจะหายไปได้จะพ้นทุก์ไปได้นะอย่างเงี้ยก็จะมีพิธีสะระ บ, บวงสงเสร็เป่าลายต่อไรนะ่ะสารพัดตามแบบของความเห็นของสำนักพามเหล่าอื่นนะซึ่งถามว่าผู้เจ้าเคยบอกสอนไว้ไหมไม่เคยเคยให้ภิกษุทํำไหมไม่เคยเคยให้พระว่าญาติโยมทั้งหลายทํำไหมไม่เคยนะก็เป็นตามแนวทางของคนอื่นอันนี้นสวดอวัจะมั่นคงตรงนี้ นะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวว่าที่ผู้เจ้าสอนมาเนี่ยเพียงพอแล้พอล ะ, อละสินสมาธิปัญญามรติมีมองค์แปดท่านบอกแล้วนี่อันเนี้ยมันเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมจะสิ้นกรรมสิ้นอย่างนี้สิ้นคล้อสิ้นโศกสิ้นอย่างนี้นะสะดอกข้อแบบนี้สะดอกข้อแบบผู้เจ้าเนี่ยมาปฏิบัติมรติมีมองค์แปดเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งสะดอกข้ออย่างอื่นนะนะเหมือนกับผู้เจ้าบอกว่าพิธีปัญจโลโยนีของพราหมณนะ์นางพรามณีกําลังทําพิธีแบบของเา้า คุณเจ้าบอกเออพวกเธอกาลังทําอะไรก็บอกเนี่ยกําลังทําพิธีปัญจโรหินีบอกของเราก็มีเหมือนกันนะพนะิธีแบบของเราทาํารามก็าถามว่าของท่านทํำยังไงคุณเจ้าก็บอกของเราล่ะอมักมีองแปดแล้วก็อธิบายเนะี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังปะถึงสัมมาสมาธิปาลามคนนั้นบอกโอ้โหวิธีของคุณเจ้าเนี่ยดีมากละเอียดละออมากพิธีของเขาเนี่ยไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของคุณเจ้าเลยนะอืม พิธีของพรามเนี่ยก็มีอะไรบูชาไฟบวงสวงอะไรต่ออะไรกันไปนะเขาทำกันไปอันนี้พูะเจ้าก็จะจะไปโตวาฏกะกลุ่มพวกพรามต่างๆหรือกลุ่มผู้สแสวงหาออกแสวงหาความนทุกแต่จริงๆคนพวกนี้ไม่ใช่คนเลวนะ <c oughs> มีคนมีคนถามพระเจ้าบอกว่าเนี่ยทำไมเขายัางบูชาไฟทำโน่นทำนี่นะ ยึดถือสิงส่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เนี่ยเขาคนไม่ดีคุณเจ้าบอกไม่ใช่เขาผิดศีลห้าหรือเปล่าเขาผิดอกุศลกรรมบทศรรึกหรือเปล่าตัวเนี้ยตัววัดความดีไม่ดีของคนนะเขาทําอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้เสียหายนะคุณเจ้าบอกเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับเบื้องต้นราะนั้นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านั้นนะที่กระทําซึ่งวัตะโกรตูและมงคลระดับต่ำที่สุดคืออะไรไม่ไม่ยึดถืออะไรเลยไม่พึ่งอะไรเลยนี่แย่ที่สุดคุณเจ้าบอกแย่ท่สุด สมาธิถี่เบื้องต้นระดับขึ้นมาก็คือจิตต้องการที่พึ่งแสวงหาที่พึ่งอาจจะพึ่งต้นไม้ภูเขาไอ้นอ่้นไอ้นี่ไปตามภาษานะีนี่ก็ยังดีพวกนี้จะเชื่อเชื่อกรรำกรรมดีกำชั่วมีเนะี่ยเชื่อโลกนี้โลกหน้ามีสวรรค์นรกมีพวกนี้เชื่อระดับที่สามก็คือมีที่พึ่งถูกต้องนะ <c oughs> โซดาบันมีที่พึ่งถูกต้องแนละ้ึ่งพระพุทธพระธรรมส่ ง, สงนะั่นนี่ก็มีอีกสามสามระดับนั่นเอง นั้นคนที่ไปพึ่งนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเขาก็ดีระดับหนึ่งแต่ดีกว่านั้นมีไหมมีเรากําลังชี้ทางที่ดีที่สุดแต่ว่านั้นอาตมาก็เคยว่าพวกเน่ยพวกพึ่งผิดนะมาเอ้ยไม่ดีหรอกเอย่าไปท่านว่าครับแต่พอเห็นเอ้ผู้จ้าก็ยังเห็นความดีเขาหนึน่งอะ่ะเราไม่ว่าแต่เราแนะนําในสิ่งที่ดีขึ้นไปนะว่าดีกว่านั้นยังมีนะแล้วก็พ้นเกิดแก่เจ็บตายแต่ทําอย่างนั้นนะยังพ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้หรอก ยังพ้นอบายไม่ได้และถ้าวัตฏโกตุลังมงคลแบบใดเนี่ยทำให้แพะแก่ไก่สุกรช้างโคมาล้มตายเดือดร้อนอันนั้นยิ่งเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานิเปลวิสัยเนะวัะ น, นั้นเราจะบวงสวงทําปิธีอะไรก็ตามสัตว์เดือดร้อนหรือเปล่าชีวิตล้มตายไหมวัะ น, นั้นถ้าสัตว์ไม่เดือดร้อนชีวิตสัตว์ไม่ล้มตายพรนะพุทธเจ้าบอกแพะแก่ไก่สุกรช้างโคมาไม่ล้มตายก็ไม่เป็นไรเป็นไปเพื่อสวรรค์พพุทธเจ้าก็เห็นประโยชน์อยู่ ท่านจึงบอกว่าท่านไม่ได้ตําหนิการบูชาไปเสียตะพืชนะเพราะฉะนั้นการบูชาก็อ่บางส่วนก็ดีนะบางส่วนก็ไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเบียดเบียนไหมนี่ให้เราเห็นหลายๆแง่หลายมุมนะฉะนั้นตัวความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็กินความที่ละเอียดกว้างนะฟังดูเผลอเผลอมันก็ว่าอืมมันก็ง่ายนะแต่สมมุติว่าเราออกจากบ้านมาเราลืมแขวนพระมัน วันไหวไหมนเนี่ยโอ้ลืมแผนพ้าสวยแน่แล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้น น, นะวาเสียวล่ะเนี่ยวันไหวใช่มอืมเราเอาอะไรไปฝากไว้กับอวัตถุสิ่งสิ่งหนึ่งเราไม่เชื่อมันในกรรมไงไม่เชื่อมั่นว่าเรารักษาศีลดีแล้วนั่งสมาธิดีแล้วอะไรดีแล้วเนี่ย่ากรรมมันจะส่งผลให้เราเป็นอะไรในข้างหน้านะอืมไม่ใช่ไปพึ่งพากควัตถุหรืออะไรก้อนหนึ่งอย่างนี้ยสมแต่ก่อนก็เคยเป็นนักเรียนก็ พ้าแขวนเปล่ะพ่อแตกโอ้โหใจเสีสยสวยสุยแล้วเรานะองใส่ใจแย่ แ, ย น, ะ น, ะแ น, น่แล้วก็มาคิดทำไมเราเรามีความทุกข์ทำไมเราเหมือนกับไปฝากไว้กับอะไรเนี่ยมันก็นั่งคิดนอนคิดะวนอยู่อย่างนั้นเอ๊ะมันจะยังไงดีนะ <c oughs> แต่ต่อมาเรื่อยๆพอเราไปพิจาปฏิบัติมาเรื่อยๆมันก็ค่อยๆจางคลายไปเองเรื่องความยึดถือในสิ่งเหล่านี้นะอืม แต่ก็อยู่ที่ที่เหตุผลของแต่ละคนนะบางคนก็เขาก็มีเหตุผลด้วยการที่เขาต้องการเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ได้หวังการปกป้องคุ้มครองอะไรตรงนั้นหรอกแต่เป็นเพียงเพื่อให้เห็นเออได้มีสติระลึกขึ้นมาได้ก็ยิ่งดีก็นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่เหมือนกับเหตุผลของคนที่ทาทั่วทั่วไปนะซึ่งอาจจะหวังความคุ้มครองจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ อันนี้นิโสดาบันเนี่ยพึ่งตนเองได้แล้วเห็นไห ม, มพึ่งการกระทําของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคุณธรรมสองอย่างนี้นะพ้นไปเว้นห้าประการตรวจ ด, ดูสินห้าเราดีไหมสองไม่หวั่นไหวในพระตนรไตรผู้เจ้าบอกว่าถ้าหวังจะพยากรก็ให้พยากรตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะั่นนี่ท่านให้พยากรตนเองนะั่นนี่อืไม่ต้องไปให้ใครพยากรนะ ดูในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระโมคคัลลานะเป็นผู้เลือด ต, งตังลิศพระนุลุทธะเป็นเลือด้านทิพยาจากักุยังไม่เคยพยากรณว่าใครเป็นอะอะรบุคคลขั้นใดมีผู้เจ้าองค์เดียวนะอืมนั้นอันนี้เป็นมุมสังเกตให้เราสังเกตและผู้เจ้าก็อ่าก่อนปเรณิพานก็ฝากธรรมะไว้วางธรรมะไว้เพื่อให้เป็นหลักในการพิจารณาของเหล่าสาวกนะเพื่อให้พึ่งตนพึ่งธรรมะได้ พราะผู้เจ้าเป็นคนตัดเองเนี่ยว่าให้พึ่งตนพึ่งถามเอาไปหวังพึ่งคนอื่นได้ไงผู้เจ้าบอกอนนท์ในการบัดนี้ก็ตามในการล่วงไปแห่งเราก็ตามใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสานะรณะมรรมนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่เพออ่อนาะพ่อพันธ์โนไปพึ่งภาษาเ ร, รบุตรตอนนหนึ่งเออภาษาเิบุตรประณิตพานเราก็ร้องไห้เสียใจผู้เจ้าก็ใไปเรียกมาอนนท์วันนีน้นะแล้วก็อะไบอกทำมาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือนะอสารีบุตรปรินิพานไปแล้วเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติติดตัวไปด้วยหรือเปล่าบอกไม่ได้ติดตัวไปแล้วนะวันนั้นมันก็ยังธรรมะยังคงมีอยู่ในโลกอานอนท์ทำไมไม่พึ่งธรรมะนะไปร้องไห้อยู่ทำไมนะมแล้วท่านก็เลยบอกเนี่ยอ น, อนนท์ในการบบบนี้ก็ตามในการล่วงแปลงเราก็ตามนะใครก็ตามต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสลาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลาณะ มีธรรมะนะมีธรรมเป็นปฏิปมีธรรมเป็นสารณะนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลาณะนะเป็นอยู่ท่านก็เลยบอกพระสารีบุตรว่าเนี่ยถ้าใครมีสองคุณสมบัตินี้นะถ้าหวังจะพยากรถ้าหวังนะถ้าไม่หวังก็ไม่ต้องพยากรณ์แต่ถ้าหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณตนและตนนั้นแหล ะ, ะว่าเป็นโสดาบัลแล้วอมีมุมอื่นอีกไหมนะครูเจ้าบอกว่า <c oughs> โสดาบัลจะละ ปุกันตานุทติติและอัปรันตานุตติติได้ปุกพันตานุทติติหมายถึงอะไรนะความเห็นที่ปารลบันในเบื้องต้นก็คืออยากไปรู้อดีตนะถอยไปก็ะจะมีการพยากรณ์อดีตอะไรกันมากมายนะแต่โสลทบันสนใจมั้ยโสลทบันไม่สนใจอืมมีการพยากรณ์อนาคตกันมากมายคืออัปลันตานุทติติความเห็นที่ปารลบันในเบื้องปลายนะโสดทบันจะวางสองนุตินี้ได้สองความเห็นนี้ได้ นั้นโสดาบันจะไม่ทุกข์เพราะส อ, สองความเห็นนี้น ค, นน ค, คิดไปในอนาคตคิดไปในอดีตมีคนพยากรณ์อดีตอ น, นาคตโสดาบันก็เฉยๆเฉยเฉยอไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าขันนั้นเป็นปัจจุบันของโสดาบันเนี่ยก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่แล้วจะไปสนใจขันอะไรในอนาคตในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็มีแต่เพียงขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นแต่เพียงขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็เลยไม่ไม่สนใจไม่เห็นความสำคัญอะไรเพราะขันห้าเป็นปัจจุบันตัวเองก็กำลังเห็นความไม่เสี่ยงการเกิดการดับอยู่กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นถอนตัว ต, วตวนออกจากขันห้าในปัจจุบันอยู่แล้วจะไปสนใจอะไรขันห้าในอนาคตหรืออดีตนี่ท่านก็ให้เหตุผลเอาไว้นี่เป็นเรื่องของทิฏฐิสองอย่างที่โสดาบันจะละได้อีกคุณสมบัตินึงเป็นระดับของโสดาปฏิมา ในระดับของอะไรบุคคลใน4ระดับเนี่ยโสดาสกิตาคารนาคาพระหลานก็จะมีมักมีผลมีมักมีผลมีมักมีผลนะโซดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิตาคามีมักสกิตาคามีผลอนาคารมีมักอนาคามีผลอรหัตามักอรหัตาผลนะท่นี้ในระดับโซดาปฏิมักมีคุณสมบัติอย่างไรนะก็เป็นโสดาบัณเบื้องต้นผู้แตกนะแต่ผนะลทางมักแล้จิตตกกระแสกลนะุ่มแรกเรียกสัทธานุสาลี พระเจ้าบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนะเท่านี้เองนี่ลองพิจารณาดีๆเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปนะเพราะนั้นถ้าามีความเห็นตรงนี้อยู่อย่างมั่นคงเนี่ยจิตคนนี้นี่ชื่อว่า เข้าสู่ระบบแ่งความถูกต้องคือสมมตานิยามแปลว่าระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพน้นปุถิชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกําเนศเดชานหรือเปลตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลไม่ควรตายก่อนได้โสดาบัณไม่ควรตายก่อนได้โสดาปฏิลผลผลแห่งความเป็นโสดาบัณฑ์นี่กลุ่มหนึ่งเรียกสตานุษาลีนะผู้เล่นไปตามศสตาร์อีกกลุ่มหนึ่งคือ ธรรมานุสาลีคุณสมบัติอย่างไรคูเจ้าบอกว่าทำหกประการนะคือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจหรือขันห่าขันถ้าพูดเป็นขันห้าก็ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีเชื่อแล้วเข้าไปเพ่งดูเฝ้าดูการเพ่งก็คือการเฝ้าดูนั่นแหละนะเพ่งเป็นคา ก, กลางๆที่ครูเจ้าใช้อยู่ ฌานแปลว่าการเพ่งการเฝ้าดูสังเกตดูเพ่งมากเกินไม่ดีเพ่งน้อยเกินไม่ดีเพ่งพอดีนะหรือว่าความเพียรเหมือนกันนะสมัมมาวายามะเพียรมากก็ไม่ดีเพียร น, น้อยก็ไม่ดีนะเหมือนกับที่บอกกับพระโสนะโสนะความเพียรที่ปรารบจัดเกินไปเนี่ยเพ่งเกินไปดูมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดคราโสนะถึงเธอจงปราลบความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลาย ต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆกันจงกําหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดนะพระโสนนะก็เอาไปทําแล้วก็สาเร็จเป็นพระหลานคือพระโสนนะเพียนเกินเพียนมากเกินเดินจงกรมเลือดไหลเป็นทางเต็มไปหมดเลยพระเจ้า ก, ก็ไปเดินตรวจตามกุติเห็นทางจงกรมนี่เลือดเต็มเลยก็ตามบ้านนนี้กุติกายบอกพระโสนนะก็เลยเรียกโสนามานะแล้วก็พระโสนนะชํานาญเรื่องการดีพินนะก็เลยอุปมาเรื่องดีพินนะ สายพินตึงย่อนอะไรแล้วก็บอกเรื่องตรงนี้สรุปความเปลี่ยนพอดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็บอกคุณสมบัติของพวกธรรมานุสาลีว่าทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นไก่ใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิง่งด้วยปัญญาของบุคคลใดในอาการอย่างนั้นในาการของความไม่เที่ยงนะบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีเพราะนั้นระดับโสดาบันเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่จะเป็นโสดาบันต้องเห็นความไม่เที่ยงของขันท่าของ กายของจิตของอารมณ์ของเรานั่นเองเน ะ, นะไม่ได้เห็นอะไระโอปัญญายโกน้อมเข้ามาในกายเราแล้วเ ห, เห็นความไม่เที่ยงของมันถ้าจิตขวงคนไม่เห็นความไม่เที่ยงนี้ยังยังเข้าไม่ถึงสวดะบั น, นอือต้องเห็นความไม่เที่ยงอันดับแรกเลยอเหมือนที่อาตมาเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าเเยคยบอกโยมทุกคนโยมแก้วบันนี้ยที่สุดมันก็แตกนะ อ, อก็บอกแก้วเซเลสไม่แตกหรครับอือเอ้ยพันปีมันก็แตกมั่งนะแสนตีก็แตกนะอยู่เป็นนานๆก็เสื่อมผุเหมือนกันนะเหล็กมันก็ผุนะขีดเป็นนานๆมันมีรอยอ่าถ้าลงลงมันมีรอยแล้วก็เรียบร้อยนะทำนะเป็นรอยไปเรื่อยๆที่สุดก็ต้องพังนะอนะเพราะเขาไม่เห็นไม่เห็นทุกขงังคือความแตกสลายก็ต้องให้เขาดูว่าเออไอแก้วเซนเลสนะ่ะมัน สึกได้ไหมอ่ะมันสึกได้ถ้าสึกได้มันก็ต้องฟังได้นะต้องเห็นความไม่เที่ยงไนงะเพราะเขาไม่เห็นความไม่เที่ยงเนหะ็นไหมนั้นโสดาบันเนี่ยต้องเห็นความไม่เที่ยงต้องเห็นอนิจจ์เนะีเพราะนั้นอ น, อนิจจงเป็นด่านแรกเลยที่ต้องเห็นอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งที่เป็นเรื่องของโสดาปฏิมัตินะสัตธานุสาลีกับธรรมานุสาลรีย์อีกนัยยะหนึ่งนะที่ท่านพูดก็เกี่ยวกับ วัตโกตูละมงคลที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าโซดาบันเนี่ยไม่กระทําซึ่งวัตถโกตูละมงคลโดยความเป็นสาระอ่าบางทีก็มีคนมาถามแม่ลูกคู่หนึ่งก็มารุ่งเนี่ยปฏิบัติทำมากก็ปฏิบัติทำทั้งคู่นะแต่ลูกก็ชอบปฏิบัติมากหน่อยแต่บอกว่าเอแม่ยังไปไหว้นู้นไหว้นี่อยู่เลยเนี่ยไม่อยากให้แม่ไหว้แล้แม่ก็บอกเดี๋ยวยัดทะเลาะกันอะไรต่ออะไรนะแต้วไหว้ไปเถอะนะ ไอ้ลูกอยากให้แม่เลิกนะบอกเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้โสดาบันก็นะลเลยมาถา ม, มาอะรมาว่าอ้าแล้วยังงี้ได้ไหมนะอาจาก็ถามถามเขาว่าเขาหวังความเป็นสาระจากตรงนั้นหรือเปล่าสาระในความทุกข์ไนมะ่เขาก็ไม่ได้หวังแต่เขาก็ทำไปตามเหตุปัจจัยที่ทำมาแต่ก่อนนะแล้วก็เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่ญาติเกิดความพร้อมเพรียงของหมู่ค น, นะก็ไม่เป็นไร เตอะ น, นั้นเราก็มาพิจารคาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกไม่กระทําโดยความเป็นสาระเห็นไหมคำพุทธเจ้าทุกคําจึงมีความหมายหมดนถ้าเราฟังแต่ไม่กระทำเอาไอ้คนนี้ไปทําในผิดเลยอืมแต่ดูว่าเจตนาของเขาเนี่ยนะหวังความพ้นแก่เจ็บตายจากตรงนั้นไหมไม่ใช่<ม>เขาก็ไม่ได้หวังตรงนั้นนั้นคําพุทธเจ้าเนี่ยมันมีความลึกลึกอยู่ในคําของท่านนะเมื่อเราพิจารค่ายควรไปแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นมุมที่ลึ ก, ล, กลึกไปเรื่อย คำพุทธเจ้าจึงฟังซ้ำได้เรื่อยๆอ่านซ้ําได้เรื่อยๆเราจะยิ่งเห็นมุมที่ลึกลึกลึ ก, ล, กลึกลงไปเหมือนกับดูลมหายใจอย่างเงี้ยนะรูล้ลมเข้ารูล้ลมออกบางคนก็อบอกเออเป็นสรรมถะอย่างเดียวนะไม่ได้เป็นวิปัสสนานะหรือว่ามาดูกายอ๋อกายยังไม่ละเอียดพอต้องไปดูจิตนะอย่างเงี้ยจริงๆมันได้หมดถามว่าแล้วใครรู้จิตเออแล้วใครรู้กายไม่ใช่จิตรู้เหรอเห็นกายก็เห็นจิตนะเห็นลมก็เห็นจิต ว่จิตเป็นคนรู้หลมลมไม่มีความรู้พระเจ้าถึงบอกว่าแ้าเจริญอนาณาปานสติเนี่ยสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟรอ้าวเจออีกมุมเลยเนหะ็นไหมอืมเพรานั้นพระเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นเหลี่ยมมุมของมรรควิธีเนี่ยมากที่สุดนะอืมแต่ระดับสาวกเนี่ยจะเห็นเหลี่ยมมุมไม่มากนะเราเลยต้องดูซักภูมิปัญญาของท่านเข้าไปศึกษากับองท่านดูสิท่านเห็นเหลี่ยมเห็นมุมอะไรบ้าง อแล้วเวลาเราถ่ายทอดไปเนี่ยจะได้ถ่ายทอดได้ถูกต้องนะนั้นเราอ่คนที่ทรงจําจากเราไปก็จะได้ทรงจํากันไม่ผิดเหมือนกับสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยอาะมาก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนแม่ก็สอนท่องคาถานะอิติสุโโตโลั ง, งพุโตคคนโมพุตานยัตะวีกงกาโนมวมาตมามิหังโอท่องแล้วก็ ง, ท, งท่องไปต ล, ลอดทางเลยรถเมล์วิ่งเร็ว เ, เสียวกวนความนะอืม แต่เราก็ไม่รู้หรอกนี่ส้าหราไม่เคยมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามีลูกมีหลานล้วก็สอนเอ้ยลูกไอ้ตองกระตะนะอืมไปป้องกั น, านะากนภายดีเลยมันจะ ถ, นถ่ายทอดต่อไปถ่ายทอดต่อไปลูกสู่หลานหลานสูเลนอะไรต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรานี้ปุ๊บเราก็เริ่มถ่ายทอดใหม่เอ้ยไม่ต้องภาวนาอยู่กับลมหายใจสบายๆนะหรือดูจิตไปเห็นความเคลื่อนไหวของจิตเห็นอารมณ์เกิดดับอะไรอย่างนี้ นะรักษาศีลให้ดีลูกคุ้มครองเองธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤตธรรมเขาก็ทรงจำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปนะอัลมากรื้กเลือกถ่ายทอดคาถานั่นแหละไม่เอาเพราะพระพุเ้าไม่ได้ตัดไว้นะนี่ก็คือเรื่องของวัตถุโกรุละมงคลอีกนัยยะหนึ่งคืนะอเช่นว่าเราเราเร า, เรากลับรถไปเราก็ เห็นสารเพลงตายเห็นต้นไม้ปูกป้าสามสีมีอะไรต่ออะไรแล้วก็บีบใจขนาดปิ้น ป, นปน้น่ะกันพลาดอืเร็วกลับไปมันจะซวยเห็นเขาบีบกันทุกขันเลยเราไม่บีบจะแย่นี่ไม่เชื่อมันในกรรมเห็นไห ม, มเห็นก็ทําก็ทํำมั่งนะประพฤติทางกายนะทางกายทางวาจะสาธุอยากคอลูกเลยนะให้ลูกปลอดภัยไปตลอดทางนี่อันนี้ก็จะโยงไปอีกในยะหนึ่งเรื่องความเห็น คุณเจาบอกความเห็นของพระโสดาบันเนี่ยจะละมิจฉาทิฐิตรงนี้ได้ว่ากรรมการกระทําหรือสุขทุกขเนี่ยเกิดจากคนอื่นบันดาลอืมอันนี้สําคัญกันนั่นเนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นความเห็นผิดของสังคมเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยอืมคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราปลายภาคหน้าเนี่ยนะมันเป็นเพราะคนนั้นคนนี้บันดาลเทพบันดาลอิศวนบันดาลพรมบันดาลคนนั้นเอวดาบันดาลผีบันดาลนะสิ่งนั้งสิ่นนี้บันดาลคุณเจ้าบอกนี่เป็นมิจฉาทิติ <c oughs> สุขและกรรมเกิดจากตนเองเ้าตนเองนี่มันน่าจะถูกนะแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ฉาทิฏฐิเหมือนกันอืมอันนี้ต้องเก็บไปคิดให้ดนะีเดี๋ยวเอาทั้งหมดก่อนอันที่สี่เกิดจากทั้งตนเองและก็ผู้อื่นผู้อื่นเป็นผู้กระทําก็ผิดอีกนี่เป็นความเห็นที่สามความเห็นที่สี่ไม่ใช่เกิดจากตนเองไม่ใช่เกิดจากผู้อื่นเกิดมาลอยลอยไม่มีเหตุมีผลอืมนี่เป็น ทั้งสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดผู <c oughs> ้เจ้าบอกโสดาวันจะลบมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ได้ถ้าเอาตีนี้แล้วแล้วก็มีความเห็นไงในเมื่อไม่ใช่ตนเองไม่ใช่ผู้อื่นผูเ้เจ้าบอกว่ า, าเขาจะรู้ว่ากรมหรือสุขทุกเนี่ยเกิดจากผัสสะเป็นเหตุผัสสะการกระทบกันทางตาอุจมุกลิ้นกายใจ ตัวกรรมเนี่ยตัวการกระทำเนี่ยเป็นตัวบันดาลและก็จะรู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยอ๋อเข้าใจละผู้เชา้าให้มองอย่างนี้ไม่มีบุคคลไม่มีบุคคลผู้ผู้ดนบันดาลอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัตว์แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็แตกสลายเกิดแล้วแตกสลายนี่ยในลักษณะ น, นี้เป็นธรรมชาชั้นลึกอันนี้จะพูดด้วยในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั้นถ้าเรามาพูดทั่วๆไปก็จะงงไม่เข้าใจ สวนกับความเห็นของคนที่พู ด, พ, ด, พ, ดพูดกันอยู่ใช่ไหมหรือเหมือนกับว่าธรรมชาชั้นลึกของพระเจ้าอีกแง่มุมหนึ่งเช่นมีคนถามมาถามพระเจ้า ว, ว่าใครเป็นผู้อยากพระเจ้าบอกไม่มีผู้อยากเราไม่เคยกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้อยากเอาไปนคนละเรื่องนะียเราบอกเราห้ามความอยากในฝึกเราต้องแก้ตัวเราเราเป็นผู้อยากนะแต่พระเจ้าบอกเราไม่เคยกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้อยากใครเป็นผู้ยึด ใครเป็นผู้มีอุปทานผู้เจ้าบอกไม่มีเราไม่กล่าวว่าบุคคลเป็นผู้เป็นผู้มีอุปทานนะแต่ต้องบอกว่าอุปทานเกิดเพราะอะไรเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรลาบอนะไล่ผู้เจ้าจะไล่สายปฏิจจสมุปบาท น, นะหรือตัวตัณหาความอยากก็ตามผู้เจ้าบอกต้องบอกว่า เพมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดนตะัณหาเพราะมีปัจจัเป็นปัจจัยนะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาท่านก็ไล่าสายปฏิจจสมุปบาทไปใครเป็นผู้รู้สึกผู้เจ้าบอกเราไม่เคยกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้รู้สึกอ้าวไปจนคนละเรื่องแล้วนี่น <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นลักษณะอธรรมะชั้นเล็กที่อาจจะเรียกว่าอภิธรรมนะ <c oughs> นี่เป็นอภิธรรมในความหมายของผู้เจ้าก็คือธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้ง เมื่อกี้ก็บอกเรื่องของความเห็น4แบบที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันจะละได้มีอะไรอีกนะที่ที่โสดาบั น, นะจะรู้จะเห็นอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของปฏิกูลพระพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันจะมองสิ่งปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลก็ได้โสดาบันจะมองของไม่ปฏิกูลให้ปฏิกูลก็ได้ มองเป็นโสดาบันจะมองทั้งของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลให้เป็นอุเบกขาก็ได้เพราะนั้นโสดาบันมองอาหารที่สวยงามให้เป็นปฏิกูลก็มองเป็นนะเห็นเป็นธาตุดินน้ําไฟลมเห็นเป็นของบุตรเน่านะอะไรปฏิกูลสัญญามองเห็นอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลุนอย่างนี้ธาตุดินน้ําไฟลมของสวยๆนะมองเป็นของปฏิกูลได้เห็นความเสื่อมนะความดับของมันมองของไม่ปฏิกูล มองของไม่ปฏิกลุนมองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลมองอยังไงนะอุจจาระปัสสาวะมองโดยความเป็นธาตุอ๋อมันก็ธาตุน้ำธาตุดินลมไฟมองลงไปสู่ความเป็นธาตุนี่มุมมองแล้วก็มองทั้งของสวยไม่สวยให้เป็นอุเบกขา น, นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาในขั้นอริยะเพราะ น, นั้นระดับโสดาบันก็เป็นอริยะเหมือนกั น, นเราเลยเอาคุณสมบัติตรงนี้ มารวมอยู่ในคุณสมบัติของพระโสดาบันด้วยเพราะอันนี้พระเจ้าพูดก ว, ว้างว่าอินทรีย์พาวนาในขั้นอริยะนะมองเป็นนะปฏิกูลไม่ปฏิกูลระวังอุเบกขาเป็นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันจริงพระเจ้าก็จะพูดไว้มากกว่า น, นี้แต่โดยหลักๆ ก, ก็มีลักษณะอย่างนี้ท่านก็จะพูดเช่น ผสมกันว่าโสโดาปฏิยังคัตสี่อย่างเดียวก็ได้โสดาบันโสตาปฏิยังคัตสี่บวกกับไพเวณห้าประการนะตัวไพเวณห้าประการอย่างเดียวยังไม่ได้โสดาบันนะสินห้าดีอย่างเดียวยังไม่ได้โสดาบันต้องบวกกับโสตาปฏิยังคัตสี่พูดปุปปันตานุติฏฐิพูดวัตโกตูละมงคลนะก็จะพูดไว้ไว้หลากหลายรูปแบบนะอ้ออีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของอริยะญาติธรรม อริยญาณธรรมคืออะไรคือการเห็นการคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือการเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าเห็นปฏิจจสมุปบาทพูดง่ายๆมาอย่ายไงไรก็คือเห็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายเพราะปฏิจจสมุปบาทก็คือทํามันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นธรรมชาติใดก็ตามที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นนั่นแนหะคือปฏิจจสมุปบาทน้อมเข้ามาในกายในจิตของเราเราเกิดความอยาก เราอยากซื้อเสื้อตัวนี้แต่เราไม่อยากซื้อเสื้อตัวนี้เราไปเดินทางทำไมเราอยากซื้อตัวนี้ละ่ะทำไมเราไม่ซื้อตัวนี้ก็ <g ay> เพราะเราพอใจตัวนี้เลยเราไม่ได้พอใจเสื้อตัวนี้นี่ส้าเราพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บนี่เราก็เห็นแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรเพราะนัไอ้หลักของปฏิเสธสมุบาเนี่ยมันมีนิดเดียว <g ay> คือพิจารว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมี <g ay> เพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเพราะอะไรมีความอยาก ซื้อเสื้อตัวนี้จึงมีอ๋อเพราะเราพอใจเสื้อตัวนี้เราเลยอยากครูเจ้าก็บรรยายนะเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณห า, น, าห น, นะเพราะเรามีความพอใจจึงมีความอยากนมเพราะมีอ่าตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานนั้นถ้าเสื้อตัวนี้มันขาดมันพังเวลาเราซื้อเวลาเอาไปใช้นะมันขาดบางันงก็เสียใจนะหรือถูกขมโมยไป เรายึดว่านี่มันเป็นของเราซึ่งจริงๆมันไม่รู้ว่ามันเป็นของใครนนี้ถ้าเราสาวต่อเอ๊ะทาไมเราพอใจล่ะอ๋อก็เราเดินไปเราเห็นเสื้อเพราะอะไรตาเห็นรูปนี่ผู้เจ้าว่าปัญญาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี่ผู้เจ้าปัญญาจากความจริงซึ่งจริงๆแล้วไอ้สายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีในตัวเราทั้งหมดเลยอยู่ที่เราสังเกตหรือเปล่าถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็น พระยาบัญญัติธรรมะต่างๆเนี่ยบัญญัติจากตัวของท่านเองเนี่ยคืออาการของจิตเนี่ยจิตมันมีอาการอย่างไรอย่างไรอย่างไรท่านก็อธิบายไปตัวปฏิจจสมบัติคือก็คือตัวอริยสัจสี่นั่นเองเชื่อมโยงกันยังไงหลายคนอาจจะสงสัย <c oughs> ปฏิจจสมบาติกับอริยสัจสี่เนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างไรปฏิจจสมบัตก็คืออริยสัจ4ี่นั่นเองที่พระเจ้าอธิบายลงรายละเอียดในส่วนของสมุทัยและนิโรธทุก ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่พรอพูดเรื่องปฏิจยสุวาทก็จะพูดลงรายละเอียดของสมุทัยและนิโรธสองข้อตรงกลางเนี่ยให้ละเอียดขึ้นไปแทนที่จะบอกว่าอตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ได้พูดแทนนั้นสมุทัยก็จะพูดว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลาจตนะ สายตนาคืออาจนะภายนอกภายในอย่างเรารวมเป็น12ก็เลยเรียกว่าสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษะเราก็เช็คได้หมดคือตาหูจมูกเลี้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโปรตีนธรรมลมประกอบกันจึงเป็นภาษะเกิดขึ้นเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาตินั่นแหลชรามรณะโศกับปริเทวทุกขะโ ท, าทมา น, นันอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยอยากให้เราท่องสายปฏิจจารณให้คล่องเลยนะเราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเจ้าเย็นเจ้าเย็นนะท่องสายปฏิจจาสายเกิดสายดับนีสายเกิดนะพอสายดับปุ๊บผู้เจ้าก็จะมาพูดในเรื่องของนิโรธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้น น, นั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งพัสสะเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนานะไล่มาเลยเวทนาดับนะตัณหาดับอุปทานดับพบดับชาติดับชลาโมนะดับนั่นชลามนะเนี่ยดับไปได้นะจบไปได้หายไปได้นะไม่มีได้ ด้วยอาการดับมาไล่มาเนี่ยนั่นอย่างถ้าเรามองเห็นเสื้อปุ๊บเนี่ยเราวางความพอใจอเฉยเฉยพอใจขึ้มาเสื้อตัวนี้เราวางอุเบกขาเฉยเฉยครูอาจารยถามว่าความอยากมันจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นความอยากที่จะไปซื้อเสื้อมันก็ไม่มีนี่เพราะเราเฉยเฉยแล้วนี่อืมแต่ถ้าเราไม่เฉยเฉเราปล่อยไปตามเหตุปัจจัยนะเมื่อพรรษาในอัสาทะคือลดอร่อยของรูปเกิดขึ้น ก็ย่อมมีเวทนาที่เป็นลักษณะแห่งความพอใจเกิดขึ้นหลายตามมาแต่ถ้าผัสสะอันเป็นอาทีนวะคือโทษแห่งรูปเกิดขึ้นมันก็จะมะีความไม่พอใจเกิดขึ้นหลายตามมามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะนั้นถ้าเราไปเห็นเสื้อผ้าที่มันไม่สวยขาดลุ่ง ล, ลิ่งอะไรเราก็ไม่อยากได้ที่มันไม่ดีท่านเรียกอาทีนวะคือโทษถ้าผัสสะที่เป็นอาสาธามันก็จะเกิดเวทนาที่เป็นลักษณะพอใจและเกิดตัณหาคือความอยาก แต่ถ้าเป็นอาธินุวะก็จะเกิดตัณหาในลักษณะไม่อยากอยากไม่อยากนี่ก็จะเป็นสายปฏิจจ์นะสายเกิดสายดับนะเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อปฏิจจ์กับอริยสัจสี่เนี่ยมันเชื่อมกันอย่างไรเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าบุคคลใดเนี่ยมาเห็นปฏิจจสมุปาฏิ์เห็นขั้นตอนการเกิดขึ้นในจิตเนี่ยเห็นอาการในจิตรู้ว่าอะไรเกิดเพราะอะไรเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดและเพราะอะไรดับ อะไรจรึงดับเพราะอะไรไม่มีอะไรจรึงไม่มีอ๋อถ้าเวทนาไม่มีความอยากจะไม่มีถ้าความอยากไม่มีความยึดไม่มีทุกข์ไม่เกิดเห็นอย่างนี้เรียกว่า<ม>เห็นปฏิจจสุบาทนิโสดาบันจะเห็นอืมหรือเห็นการเกิดดับของกันห้านั้นถ้ามีอริยญาณาธรรมพระเจ้าก็บอกให้พยากรณตนเองได้เลยว่าเป็นโสดาบันแล้วนั้นก็จะพูดไว้หลายนิยยะบางนิยยะก็พูดตั้งแต่สิน 5, สห้าโศตาปัญญาศีอริยญาณธรรมเต็มเลยสมสูตรได้เป็นโสดาบันบางทีก็พูด โสตยาเปรียังคัศสีอย่างเดียวบางทีก็พูดอริยญาณธรรมอย่างเดียวบางทีก็พูดปุปมาตาลุทธิติอ布拉ตานุทธิติบางทีก็พูดวัตกโกตุลามงคุลนะแต่พู้สินท่าอย่างเดียวไม่มีนะสินท่ายังมีโอกาสตกนรกได้เดี๋ยวเราจะงงสินท่าตกนรกได้เหรอได้ได้ได้อยู่เพราะมีปริพาชกอืมถามพระเจ้าอพอดีปริพาชกคนที่มียนันย่างรู้เห็นนรกสวรรค์ได้ก็มาถามพระเจ้าว่าเอ๊ยก็เห็นคนรักษาสินทายอย่างดีไปเกิดในนรก แล้วก็เห็นคนที่ทุศิลไปเกิดในสวรรค์แต่ผู้เจ้าไม่ตอบก็เฉยๆปริภาชก็เดินจากไปพานนนั่งอยู่ข้างบอกพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้ารับฟังได้นคนรักษาสินห้าว่าเสียวอลไนพานนนก็บอกว่าเพราะเหตุใดต้องมีเหตุผลสิไม่ใช่พูด ล, ลอยๆผู้เจ้าบอกอานน์น์เพราะกรรมในอีกสามระดับอย่างแรกเนี่ยนะเขา เอาสมมติว่าเขารักษาศีลห้ามาสิบปีแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาไปทําอะไรไม่ดีมาก่อนหรือเปล่ากรรมตรงนี้ส่งผลหรือเขารักษาศีลห้ามาอย่างดีมาเป็นเวลาสิบปีหลังจากนั้นเขาไม่รักษาหรือเปล่าตรงนี้ก็ส่งผลนี่ระดับที่สองระดับที่สามพรเจ้าบอกกรรมก่อนตายอืมไม่เคยฝึกจิตไม่เคยทําสมาธิเป็นานเลยคุมจิตไม่ได้นั้นศีลเราดีแล้วเนี่ยศีลเราดีคือกายวาจาเราดีนะแต่จิตเรายังไม่ได้ดีนะนี่ย จิตยังไปอกุศลกุศลแกวงไปแกวงมานั่งสมาธิหนึ่งนาทีก็จะตายแล้วนะฟุง้งซ่านวิ่งจิตวิ่งวุ่นเลยเะนั้นไม่เคยฝึกคุมจิตเลยเนั้นผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยคติที่ไปจึงไม่แน่นอนลงนรกได้อบายภูมิได้ขึ้นได้ลงได้ได้หมดนะอันนี้ยังอพราะนั้นจิตไปจับอะไรสุดท้ายก่อนตายก็ได้ตามนั้นอีกอย่างหนึ่งของคุณสมบัติพระโสดาบันผู้เจ้าบอกว่า จะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยจากไม่เวียนเลยไปจากธรรมชาติทั้งสี่เนี่ยคือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเรานั่งดูลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยแต่ว่านี่กําลังเห็นจิตแล้วนะเพราะพอเราดูลมหายใจไปเรื่อยเราไม่สนใจลมนะเราสนใจผู้รู้ลมเพราะเมื่อเราเห็นว่าเอ๊ะลมมันก็ไม่ได้มีชีวิตจิตใจอะไรเอ๊ะเราแค่เป็นคนรู้มันเราเริ่มมาดูจิตเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นลมกับจิตมันติด ก, กันเนี่ยนะอืม นนั้ดูลมก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นลมก็เหมือนกันคนที่ดูลมหายใจปุ๊บแล้วมันมองจิตเมื่อจิตที่รู้ลมอยู่สักพักหนึ่งไปคิดปุ๊บนั่งไปคิดอดีตอะเอ้ยกลับกลับมากลับมากลับมารู้ลมต่อแค่นี้สรุปอะไรได้ต้องเยอะเลยพระยาสรุปอะไรได้บ้างพเจ้าก็สรุปได้บอกว่าเนี่ยวิญญาณคือจิตที่รู้ลมเนี่ยคือวิญญาณขนันจิตมโนวิญญาณ เ, เหมือนกันนะหรือวิชานาติผู้รู้แจ้งในลมพเจ้าให้ ให้ให้บอกให้ทราบว่าเหมือนกันใช้คําเป็นคําที่ใช้แทนกันได้จิตมโนโวิญญาณนะหรือผู้รู้แจ้งในลมเรียกวิาวชาณาติเรานั่งตายปุ๊บเดี๋ยวไปคิดอนาคตเรานั่งาย ป, ปุ๊บเดี๋ยวไปพอใจไม่พอใจเนี่ยแค่นี้ดึงกลับดึงกลับดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยแค่นี้สรุปความรู้ได้บานเลยพระเจ้าจึงบอกว่าโสตบัญจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนอะไรไปจากสีธรรมชาตินี้ยมนั่งไปให้ตายยี่ปี30ปีจิตก็รู้ได้แค่นี้นะเห็นนะ พระจ้สรุปได้แล้วสรุปอะไรได้อีกขณะที่จิตเนี่ยหายไปจากลมนะอาแสดงว่าขนาดนั้นไม่รู้ลมแล้วนะขณะที่จิตไปคิดอดีตเนี่ยขนานั้นไม่รู้ลมหายใจก็กําลังเพลินในความคิดอดีตนั่นเรียกว่ารูปดับนี่เป็นการเห็นการเกิดดับของรูปในภายในอสุภ่าอะไรนี่ก็ภายนอกนะเห็นภายนอกเห็นภายในน้อมก็ามาใช้ยังใช้ความคิดแต่นี้ไม่ต้องใช้ความคิดเลยดูเฉ ย, เฉยๆนั่งดูเฉย ๆ, ๆดูอ๋อปุ๊บมันไปละอ่า ออกไปแล้วในรูปดับแล้มีสติดึงกลับมารูปเกิอดอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นการเกิดดับในภายในจะเห็นรูปเกิดดับเมื่อจิตไปรู้อดีตอย่างนี้นะนั่นก็แสดงว่านามธรรมมีการเกิดขึ้นการเกิดปรากฏเพลินไปสักพักหนึ่งตั้งอยู่สักพักหนึ่งเรามีสติดึงกลับมานามธนะรรม ก, ก, ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหน็นนะเราก็รู้แล้วว่าอ๋อสัญญาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารเหมือนกันเวทนาเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เพราะนั้นธรรมชาติที่จิตเข้าไปรับรู้ก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดเหมือนกันตัวรูปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอา้าวเห็นการเกิดดับของรูปนามได้หมดแหละนี่นั่งดูลมหายใจอย่างเดียวสรุปได้เยอะแยะเลยนี่คือมุมมองของผู้เจ้าเห็นไหมเราท่านก็บัญจัิออกมาบัรยัยนมาปั๊บ ป, บปบัแตกรูปของธรรมะออกไปมากมายรู้อะไรได้อีก <c oughs> ขณะที่รู้ลมหายใจถามว่ามีไอสีธรรมชาตินี้เข้ามายุ่งวุ่นวายมาเอออีก3ธรรมชาติ พราะจิตมารู้ลมแล้วก็เหลือสามธรรมชาติเพราะธรรมชาติทั้งหมดที่จิตหลงมีแค่5้าอย่างพรุทธเจ้าบอกมี5อย่างมีคนถามถามพรุทธเจ้าบอกว่าหลงมากกว่า5ธรรมชาตินี้พพุทธเจ้าไม่มีละมี5อย่างเฉนั้นขณะที่จิตเนี่ยรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยขณะนั้นไม่รู้ธรรมชาติอื่นอีกสธรรมชาตินั่นคืออะไรพุทธเจ้าบอกว่านั่นคือเราจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยรับรู้ได้ทีละธรรมชาติไม่สามารถรับรู้ได้2ธรรมชาติพร้อมกันเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่า โอ้ผมก็รู้ลมไปคิดไปอุยนะั่นมันเกิดดับกี่รอบแล้วน่าไม่รู้ไม่ทันเห็นไห ม, มเพราะฉเอาเรารู้หลักการตรงนี้ปุ๊บไอ้ไม่ใช่เวสติเราไม่ทั น, นเลยแล้วเอาใหม่เอาใหม่ฝึกใหม่ฝึกใหม่จริตมันต้องรู้ได้ทีละอย่างสิน่ะเพราะพระเจ้าบอกงี้ถ้ามันรู้สัญญาพระเจ้าบอกมันก็ไม่รู้สังขารไม่รู้เวทนาไม่รู้รูปนะอืมเรานั่งดูไปนั่งดูไปนี่เราสรุปได้ลนะนะเรารู้ว่าวิ ญ, ญญาณไม่เวียนเลยแปลกสีธรรมชาตินี้เรารู้ว่า จิตหรือวิญญาณเนี่ยรับรู้ได้ทีละธรรมชาตินะเรารู้ว่าสิ่งที่จิตไปรับรู้ก็มีการเกิดดับและเรายังรู้อีกว่าตัวจิตก็เกิดดับอ้าวจิตเกิดดับยังไงทีนี้จิตมันเร็วเราอาจจะไม่รู้ว่าจิตเกิดดับเรารู้ว่าไอ้ธรรมชาติที่จิตไปรูกเกดด้เกิดดับทีนี้จิตเกิดดับจะต้องวัดจากอะไรก็วัดจากตัวลมหายใจลมหายใจหายใจเข้าลมยังอยู่นั่นนี่ขณะที่จิตออกไปรู้อย่างอื่นเนี่ยลมหายใจยังไม่ได้หายไปตัวยังไม่ตายร่างกายยังนั่งอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ แต่กลับไม่มีความรู้ในลมอ้าวแสดงว่าใครเป็นคนเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนเปลี่ยนแปลงเนี่ยลมมันยังอยู่เฉยๆของมันอย่างเนี้ยนะเมื่อเทียบกับรูกประธาต์เราก็จะเห็นจิตเกิดดับทันทีเลยว่าอ๋อวิญญาณขันธ์ก็เกิดดับดับจากลมไปปุ๊บไปรู้อย่างอื่นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับนามาทําจะเห็นยากหน่อยนะอันนี้เป็นแง่มุมนะอืมอันนี้อาตมาแกะเองล้วนๆเนี่ยจะไม่เคยได้ยินได้ฟังใครบอกเนี่ยอืม <laughs> อาตมานั่งงงอยู่มันจะเทียบกับอะไร จะอธิบายยังไงให้พวกเราเข้าใจอาตมาอ๋ต อ, อต้องอธิบายกับเทียบกับรูปเพราะอารมณมันยังอยู่แต่มันไม่มีความรู้ในลมนะอ่ะมันหายไปไงก็คือตัวจิตต้องดับแต่นี้ท่านนํามาทําเนี่ยมันไวทั้งคู่เราจะสังเกตยากไงว่าอะไรดับแน่จิตดับหรืออารมณ์ดับนั้นให้เทียบกับรูปจะสังเกต ง, ง่ายนะจะรู้ว่าจิตเกิดดับ <c oughs> ทีนี้เราก็รู้ละองค์ประกอบทั้งหมดที่เป็นผัสสะหรือที่เป็นกัณฑ์หน้าก็ดับหมดเลยพระเจ้าจึงบอกว่า ในเมื่อองค์ประกอบของผัสสะก็ล้วนแต่เป็นของเกิดดับสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากผัสสะเป็นเหตุเนี่ยจะเป็นของที่เที่ยงได้อย่างไรเพราะนั้นอะไรที่เกิดตามมาจากผัสสะซึ่งมันเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงทั้งหมดนะมันจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรตั้งแต่เวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติสลาโมนะไม่เที่ยงหมดเลยเงีมยมีอย่างความตายเที่ยงนะอืม นี่ถ้เราถามนักปฏิบัติความตายเที่ยงไหมบางคนเขบอกอสวดมนต์มาทั้งปีทั้งชาติาบอกความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอืมเอ้ยมันจะบอกความตายไม่เที่ยงได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมเมื่นถามเราเห็นนี้ไปก็จะมีคนยกมือทั้งละเที่ยงคพวกยกมือไม่เที่ยงอืมสรุปไ <c oughs> <c oughs> อค้ความตายมันเที่ยงไหมเขาใครตอบตรงนี้ได้เก่งมากเลยเนะี่ย ใครตอตรองนี้ได้เก่งมากเพราะว่าในคือในสายปฏิจจ์เนี่ยจะบอกว่าความตายเป็นของไม่เที่ยงโอ้เอาแล้วเจอธรรมะชั้นลึก <c oughs> ทรา น, นี้เราจะพูดยังไงให้มันประกอบด้วยเหตุผล <c oughs> นี่ก็อีกแกเองล้วนนะ <c oughs> <c oughs> จะอธิบายยังไงให้พวกเราเข้าใจธรรมาก็เลยมาอธิบายอย่างนี้นะอันนี้ไม่ไม่ใช่พุทธวจนะนะเป็น การอธิบายของอาตมาเองเขาต้องแยกไว้นะแต่พะจะทําให้เราเกิดความเข้าใจได้ก็คือความตายนี่มันเที่ยงเพราะอะไรในเมื่อถ้าคําพระเจ้าถูกทั้งคู่แล้วความใจเที่ยงแล้วสวดมนต์นันอยู่นะ่ะแล้วอีกอันหน้าความตายไม่เที่ยง <c oughs> เพราะอะไรคือความตายเน่เที่ยงเพราะสมมุติบัญญัติก็คือในสมมุติบัญญัติในขันท่าเนี่ยตายแน่นอนเที่ยงแน่นอนนะแต่ถ้าเทียบกับวิมุตต์ความตายไม่เที่ยง เพราะว่าความตายดับไปได้เลิกไปได้หายไปได้จบไปได้เนะีจึงมีวิมุตใช่ไหมเพราะนั้นดูที่ว่าพูดเทียบกับอะไรนะีถ้าพูดเทียบเอาวิมุติมาเปรียบเทียบมาคุยความตายไม่เที่ยงอืเพราะว่ามันดับไปได้แต่ถ้าพูดเทียบกับในสมมุติบัญญัติในโลกด้วยกันในขันธ์หน้าความตายเที่ยงแน่นอนรูปตายแน่เวทนาดับแน่สัญญาสังขารวิญญาณดับแน่นอนเที่ยงแท้ไม่มีทาง เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแน่นอนอันนี้ก็ให้เห็นแง่มุมของมันพราะนั้นอยู่ที่เราพูดเปรียบเทียบกับอะไรด้วยเพราะนั้นตัวธรรมะเนี่ยต้องบางทีต้องมีข้อเปรียบเทียบมึงไม่งั้นเราเถียงกันตายเลยเอ้ยครูเจ้าบอกความตายเที่ยงนี่บอกเอ้ยอ่านมาแล้วความตายไม่เที่ยง <c oughs> อืเหมือนกับสุญญาตาสุญญาตาโดยปกติก็ก็จะหมายถึงนิพพานนั้นถ้าพูดพูดธรรมดาก็คือสุญญาตาก็ก็คือนิพพานแต่ถ้า พูดเปรียบเทียบกับความว่างในระบบสมมติซึ่งก็มีความว่างอยู่ด้วยจะเรียกอันนั้นว่าจะเรียกนิพพานหรือสุญญตาว่างไงก็จะถูกเรียกว่ามหาสุญญตาว่างอย่างยิ่งเมื่อมีการเปรียบเทียต้องเปลี่ยนคำพูดไปอีกหรือพูดพูดในเรื่องของวิมุติเมื่อจะอธิบายวิมุติให้ละเอียดลงไปอธิบายนิพพานให้ละเอียดลงไปพระุทธเจ้าจะไม่ใช้คําว่านิพพานจะใช้คําว่าวิมุติแทนเราอาจจะได้ยินคําว่าวิมุติกับวิมุติยานทัศนะ ผูููููููู้ในว้มวูมุ <c oughs> มตูููููู้้้้้้ิููู้้้ตูููููููููู้้้้้้้้้้กูููููู้้้้้้งไงููู้้้เจ้าูาอธิบายตรงนีู้ไวู้ไว้มมวนะไมูมากพนะอสู้ควรููู้้้นนนะูููููู้้้้้้นูููููู้้้้้้นูููููููููููู่้้้้้้้่้้้้้าููููููููููููู้้้้้่้้้้้้้้จููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้่าููููููููููููููููููููููููููููููููููููู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ีููููููููููููู้้้้้้้้้้้้้ ไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่ใช่รูปฌานไม่ใช่รูปฌานอธิบายจบไปละแล้วลท่านก็พูดต่อในกรณีอันเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมากันไปการจุติการอุบัติการตายการเกิดเนี่ยไม่มีนี่ท่านพูดอีกอย่างนะึงแล้วนะแต่ท่านบอกในกรณีเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสองสิ่งเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เสมอกันนะละเอียดเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่านะเป็นเหมือนเป็นภาวะหนึ่งเดียว ไอภาวะหนึ่งเดียวในเป็นคำของอาตมาเพื่อให้พูดเกิดความเข้าใจพุณเจ้าบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นม่อยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ําไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีไม่มีมิตินั่นเองเมื่อมันไม่มีมิติไม่มีอะไรเลยมันเนี้ยมันก็เหมือนกับมองอากาศอย่างเงี้ยแต่อากาศนี่มันยังไม่หนึ่งเดียวมันมีเมฆมีไฟฟ้ามีไอ้น้ำมีอะไรอยู่นั้นเต็มไปหมดลย <c oughs> แต่ภายในหนึ่งเดียวมันมีมันมีสองหนึ่งเนะี่ะก็คือตัววิมุตตบผู้รู้ในวิมุตต์คุณเจ้าทุงบอกในกรณีอันเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมากันไปการมาไปเนี่ยท่านจะเปรียบเทียบถึงจิตของเราไงจิตของเรามันยังมีมามีไปไปรู้นั่นกลับมานี่ไปรู้นั่ น, น, นกลับมานี่นี่มีมามีไปเข้าใจไหมแต่ในนั้นจะไม่มีการมากันไปอาการของธรรมชาติอันนี้ไม่มีมาไม่มีไปนะไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมไม่มีการขยับอะไรนะนิง่ง ผู้พเจาตรัสไว้ในที่หนึ่งถ้าถ้าเราเหมือนกับว่าปฏิบัติอ่าไปยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะมองผ่านอ่ะอ่านผ่านไปนะไม่เข้าใจเพราะฉนั้นธรรมะของพุทธเจ้าหลายๆอย่างนะเราอ่านไปเหมือนไม่มีอะไรนะแต่โอ้มันมีความลึกซึ้งอยู่นั้นเยอะเยวแต่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะเก็บรายละเอียดเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บก็บได้เยอะแยะเลยจะตีสโลกพุทธเจ้าแตกหมดนะเข้าใจอ๋อพระพุทธเจ้าพูดงี้เข้าใจโยงกันได้หมด พระพุทธจ้าบ <the> <C oughs> อกว่าวิมุตติญานทัศนะก็เป็นสิ่งมีที่ตั้งอาศัยหาใช่เป็นสิ่งไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่วิมุตติยานทัศนะเข้าไปตั้งอาศัยในอะไรอะไรเป็นที่ตั้งอาศัยของวิมุตติยานทศัศนะนั่นก็คือวิมุตต์เฉะนั้น ว, วิมุตติยานทัศนะเนี่ยมีวิมุติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยก็จะคล้ายๆกับวิญญาณที่มีขันธ์ทั้งสี่เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนะ คือวิญญาณที้เขาไปตั้งอาศัยในรูปไปทนาสัญญาสังการสี่ธาตุนี้เพราะฉะนั้นตัววิมุตติยานทัศนะก็เข้าไปตั้งอาศัยในวิมุตติมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่ปรากฏการเกิดการดับไม่เสื่อมสลายแล้วก็มีผู้ที่เข้าไปรู้ในธรรมชาตินั้นซึ่งมีความละเอียดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคํานี้ของพระเจ้าก็จะเชื่อมกับที่พระเจ้าบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งนั่นคือท่านต้องการอธิบายว่าวิมุตติเนี่ยพึงรู้แจ้งเนี่ม แล้วบอกในกรณีอันเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นไม่กล่าวว่ามีการมากันไปกันจุติการวัรนนั่นคือาท่านกําลังอธิบายวิมุตติยานทัศ น, นะฉนั้นเราจะเริ่มตีคำพุทธเจ้าแต่หมดแต่ถ้านั่นฟังอ่านไปเป็นเพืเ่อืเอะไรไม่มีอะไรเนี่ยอืมแก่ไม่ออกเพราะฉะนั้นอะไรที่อ่านคำพุทธเจ้าไปแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆภานาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรยจะเริ่มแก่ออกไปทีนิดทีนิดทีนิ ด, นดแล้วคำพุทธเจ้าจะสอดรับกันหมดจะรู้เลยอ๋อพุทธเจ้าพูดนี้เพราะอะไร อ๋อท่านพูดนั้นเออไม่ขัดกันไม่ขัดกันอีกคำวิาจารณเจะเชื่อมกันหมดบรรยายมาพอสมควร